พิสุทั้งหลายอธิปไตยคือภาวะความเป็นแห่งผู้เป็นใหญ่สามอย่างเหล่านี้มีอยู่สมอย่างคืออัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยและธรรมาธิปไตยข้ออัตตาธิปไตยคือภาวะความเป็นแห่งที่เอาตนเป็นใหญ่เป็นอย่างไรเล่า คือเธอในกรณีนี้อยู่ในป่ากด็ดีอยู่โกนไม้กด็ดีหรืออยู่รื่นว่างาก็ดีย่อมสำเนียกดังนี้ว่าก็เราออกบวชเป็นบนรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวรไม่ใช่เพราะเหตุแห่งบินบาบไม่ใช่เพราะเหตุแห่งเสนาสนะเราออกบวชเป็นบนรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมี และความไม่มีเช่นนั้นก็แต่ว่าเราเป็นผู้อันความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรารำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจครอบงำแล้วชื่อว่าเป็นผู้มีความทุกข์ครอบงำแล้วมีทุกข์ท่วมทับแล้วทําเฉยหนอ การทำที่สุดแห่งกองทุกท้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้เพราะการที่เราจะพึงแสวงหากรมที่ละได้แล้วออกบวชเป็นบนรรพชิตนั้นเป็นความเลวทรามอย่างยิ่งข้อนั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราเลยดังนี้เธอจึงสำเนียกใจอย่างนี้ว่าข้อความเพียรพึงเป็นสิ่งที่เราปรารบแล้ว ไม่ย่อหย่อนสติพึงเป็นสิ่งที่เราเข้าไปตั้งเอาไว้แล้วไม่ลืมหลงกายพึงเป็นสิ่งที่เราทําให้สงบระงับแล้วไม่กระวนกระวายจิตพึงเป็นสิ่งที่เราทําให้ตั้งมั่นแล้วเป็นอารมณ์เดียวอย่งนี้เธอทําตนเองนั่นแหละให้เป็นภาวะแห่งความเป็นผู้ใหญ่ยิ่งแล้ว จึงละอกุศลเจริญกุศลละกรรมมันมีโทษเจริญกรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่นี่แหละเรียกว่าอัตาตาธิปไต่ที่สุดทั้งหลายก็โลกาธิปไตยคือภาวะความเป็นแห่งที่บุคคลเอาโลกเป็นใหญ่ยิ่งก็โลกาธิปไตยนั้นเป็นอย่างไรเล่า คือเธอในกรณีนี้อยู่ในปาน่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีย่อมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์อย่างนี้ว่าก็เราออกบวชเป็นบนรรพชิตไม่ใช่พระเอกแห่งจีบอลบินบาบหรือเสนาสนะเราออกบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่พระเหตุแห่งความมีความไม่มีเช่นนั้นก็แต่ว่า เราเป็นผู้อันความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำารลาพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจความครับแก้นใจครอบงาแล้วชื่อว่าเป็นผู้มีความทุกข์ท่วมทับแล้วมีความทุกข์ครอบงาแล้วทำไงเนอการทำที่สุดแห่งกองทุกทังสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัด แกเราได้ก็การที่เราออกบวชเป็นบรรพชิตเช่นนี้พึงตรึกถึงความคิดในทางการรมพึงตรึกถึงความคิดในทางพยาบาทหรือพึงตริตรึกถึงความคิดในทางเบียดเบียนก็ดีว่าโลกกสันนิวาทนี้ใหญ่โตนะักในโลกที่ใหญ่โตอย่างนี้ย่อมจะมีสมณพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์มีทิพยยะจกักษุ รู้วาระจิตของคนอื่นได้ถ้าสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมมองเห็นได้แม้แต่จากที่ไกลถึงตัวเราเองแม้ใกล้ก็มองไม่เห็นท่านและท่านย่อมรู้ชัดซึ่งวาระจิตด้วยจิตสมณพราหมณ์แม้เหล่านั้นก็พึงจะรู้เราดังนี้ว่าท่านผู้เฉเลิ้มเนยดูสิกุลบุตรผู้นี้เขาเป็นผู้มีศรัทธา ออบวชเป็นบนรรพชิตแล้วแต่ยังเกลื่อนกลนไปด้วยธรรมที่เป็นบาปอากุศลทั้งหลายเป็นอยู่อย่างนี้ถึงเทวดาที่มีฤทธิ์ที่มีทิพยจักษุรู้จิตของคนอื่นได้ก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นย่อมมองเห็นได้แม้แต่จากที่ไกลแต่ตัวเราแม้ใกล้ก็มองไม่เห็นท่านและท่านย่อมรู้ซึ่งวาราจิต ด้วยจิตเทวดาเหล่านั้นพึงรู้เราอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายดูสิกลุ่ดผู้นี้เขาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชเป็นบนรรพชิตแล้วแต่เกลื่อนกลนไปด้วยธรรมที่เป็นบาปอากุศลทั้งหลายเป็นอยู่ดังนี้เธอจึงสำเนียกใจอย่างนี้ว่าก็ความเพียรพึงเป็นสิ่งที่เราปรารบแล้วไม่ย่อหย่อน สติพึงเป็นสิ่งที่เราเข้าไปตั้งเอาไว้แล้วไม่ลืมหลงกายพึงเป็นสิ่งที่เราทําให้สงบประงับแล้วไม่กระวนกระวายจิตพึงเป็นสิ่งที่เราทําให้ตั้งมั่นแล้วเป็นอารมณ์เดียวอย่างนี้เธอทําโลกให้เป็นใหญ่แล้วละอะักุศลเจริญกุศลละการมีโทษ เริญการอันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่พิสุทธิ์ทั้งหลายอย่างนี้แหละเรียกว่าโลกาทิปไตยคือภาวะความที่แห่งบุคคลเอาโลกเป็นใหญ่ยิ่งแล้วทําความดีพิสุทธิ์ทั้งหลายก็ทํามาทิปไตยคือภาวะความที่แห่งบุคคลเอาธรรมะเป็นใหญ่ยิ่งแล้วทําความดีนั้นเป็นอย่างไรเล่า คือเธอในกรณีนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีหรืออยู่เรือนบ้านก็ดีย่อมสำเหนียกใจอย่างนี้ว่าก็าเราออกบวชเป็นบนรรพชิตไม่ใช่ประเหตแห่งจีวรบินทบาทเสนาสนะเราออกบวชเป็นบนรรพชิตก็ไม่ใช่ประเหตแห่งความมีและความไม่มีเช่นนั้นก็แต่ว่า เราเป็นผู้อันความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความกับแค้นใจทั้งหลายคราบงมแล้วชื่อว่าเป็นผู้มีความทุกข์ท่วมทับแล้วทำไฉนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแกเราได้ก็ประธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่สจำกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาสู่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนณนี้ ก็เพื่อนผู้ประพฤติประมาจันที่เรารู้อยู่ <_ d> um> เห็นอยู่ <_ d> um> ก็มีอยู่แล <_ d> um> ก็การที่เราได้ออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินยัยอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเช่นนี้จะพึ่งเป็นผู้เกียจคร้านหมัวเมาประมาทอย่างนี้ข้อนั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราเลยดัยงนี้เธอจึงสำเนียกใจอย่างนี้ว่า พรความเพียรพึงเป็นสิ่งที่เราปรารอบแล้วไม่ย่อหย่อนสติพึงเป็นสิ่งที่เราเข้าไปตั้งเอาไว้แล้วไม่ลืมหลงกายพึงเป็นสิ่งที่เราทําให้สงบระงับแล้วไม่กรวนกระวายจิตพึงเป็นสิ่งที่เราทําให้ตั้งมั่นแล้วเป็นอารมณ์เดียวหนังนี้เธอทำธรรมะนั่นแหละให้เป็นใหญ่แล้ว ละอกุศลจเจริญกุศลละกรรมมีโทษจเจริญกรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่พิสุตตลายอย่างนี้แหละเรียกว่าธรรมาที่ปไตยคือภาวะความที่แห่งบุคคลเอาธรรมะเป็นใหญ่ยิ่งแล้วทำความดีพิสุตตลาอธิปฏายสามอย่างเหล่านี้แหละเมื่อตรัสคำนี้แล้ว ได้ตรัสคำที่เป็นภาษาสื่อไปว่าขึ้นชื่อว่าความลับไม่มีในโลกสำหรับผู้ทำบาปกรรมจริงหรือเท็จตัวท่านเองย่อมจะรู้ได้แน่ท่านผู้เฉลิ้มเลยท่านสามารถที่จะทำความดีได้หนอแต่ท่านดูหมิ่นตนเองเสียหนึ่งท่านได้ปกปิดความชั่วซึ่งมีอยู่ในตน ท่านนั้นซึ่งเป็นคนผ่านประพฤติตึงๆหย่อนๆหละหลวมอันเยวดาและพระตถาคตย่อมเห็นได้เพราะฉะนั้นแลคนที่มีตนเป็นใหญ่ควรมีสติเที่ยวไปคนที่มีโลกเป็นใหญ่ควรมีปัญญาและพิ่งพินิษคนที่มีธรรมเป็นใหญ่ควรเป็นผู้ประพฤติโดยสมควรแก่ธรรม มุนีผู้มีความบากบันอย่างจริงจังย่อมจะไม่เลวลงลหนึ่งบุคคลใดมีความเพียรข่มขี่มานคราบงำมานผู้ทำที่สุดเสียได้แล้วถูกต้องธรรมะอันเป็นที่สิ้นปลายแห่งการเกิดบุคคลผู้ฉชนนั้นย่อมเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นเมธาดีเป็นมุนีผู้หมดความทยานอยาก ในธรรมทั้งปวงพระพชาวพระไพบุญมาพบกับท่านผู้ฟังอีกวันละหนึ่ ง, งจริงๆก็มาพบทุกวันน่นแหละเวลาเช้าๆมาพบปะพูดคุยฟังธรรมะกันวันนี้ในช่วงของประิยัติที่ไม่เป็นอยู่พิษือนําเรื่องราวธรรมะที่พระเจ้าได้ประกาศไว้เป็นโมดโมดเป็นข้อข้ อ, ข อ, ขอที่มีคนเข้ารวบรวมเป็นข้อมูลเอาไว้มาพูดทําความเข้าใจในลักษณะที่จะให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถนําไปปฏิบัติไปใช้งานให้เป็นประโยชน์เหมือนกับงูพิษเนี่ยถ้าเราทําไม่ดีทําไม่ถูกทําไม่เป็นแล่นมันก็จะทําให้เป็นพิษในเกิดเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในใจเราเอาความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนั้นไปขยับปากปากก็เป็นคำพ่นดาวไปไปขยับกายก็เป็นการเบียดเบียนเขาแต่ถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วลการที่จะทิมแทงคนอื่น การที่จะเอาความรู้นั้นไปใช้ในทางที่ผิดก็จะไม่เกิดเกินวันนี้จึงทําความเข้าใจเกี่ยกับเรื่องของคําว่าอธิปไตยตะมุฟังอธิปไตยอธิปไตยอธิปไตยที่เราพูดกันนักหนานักนหนาไล่มาตั้งแต่คำว่าประชาธิปไตยบางคนก็พูดถึงคําว่าอัตตาธิปไตยอีกคนหนึ่งก็พูดถึงว่าอมาตยาธิปไตยแล้วก็พูดถึงเรื่องการปกครองแบบต่างๆแบบนั่นแบบนี้อะไรมากมายโดยใช้คําว่า อธิปไตยอธิปไตยอธิปไตยเนี่ยเอาก็ไปติดไว้เดี๋ยไปตีเอาไว้กับอะไร ก, เ ก, รกรบบ็เป็นการปกครองแบบนั้นเป็นการปกครองแบบนั้นเรามาทําความเข้าใจศัพท์กันให้ถูกต้องนิดหนึ่งในเกี่ยวกับคําว่าอธิปไตยท่านฟังอธิปไตยอธิปไตยอธิปไตยเนี่ยเป็นภาษาบาลีนะเดี่ยมาจากคาว่าอธิปไตยะคือคำนี้เป็นส่วนประกอบของคําหลายคํามารวมกันเอาความหมายที่ถูกต้องเลยนะของคําว่าอธิปไตยเนี่ยคือภาวะภาวะหนึ่ง เนี่ยเป็นภาวะภาวะหนึ่งที่บุคคลอาศัยแล้วทําให้ใช้เป็นหลักขึ้นมานี่ยคือภาวะภาวะหนึ่งที่บุคคลอาศัยแล้วทําให้ออกเป็นหลักทําให้เกิดความเป็นใหญ่ขึ้นแล้วก็ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งในกรณีนี้พุชาพูดถึงอัตตาธิปไต่เนี่ยคือการที่เอาตัวเองเป็นหลักก่อนนะเอาตัวเองเป็นหลักเป็นภาวะภาวะหนึ่งที่เอาตัวเองเป็นความใหญ่ยิ่งแล้วเอาเป็นหลักเอาเป็นความเป็นใหญ่แล้วอาศัยตรงเนี้ในการทําความดี เช่นยังไงคือพุทธเจที่ที่นี้ก็ยกตัวอย่างของพระผู้เป็นบนรรพชิตอโหบวญจากเรือนน้ก ร, รอดด้วยความศรัทธาด้วยความศรัทธาที่จะพ้นทุกข์จากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพวกนี้โดยที่ไม่ได้หวังพวกปัจจัย4ี่ต่างๆถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะมามีความคิดในทางกามพยาบาทเบียดเบียนมาสแสวงหากามมาสแสวงหาสิ่งไม่ดีเนี่ยตัวเองติเตียนตัวเองได้เพราะเหตุนี้แล้วก็จึงจึงไม่ทํา เนีจึงไปทําความดีอาศัยความที่ตัวเองเนี่ยต้องทําความดีเนี่จึงไปทําความดีตรงนี้เรียกอัตตาทิปไตยคือเอาตัวเองเป็นใหญ่แล้วทําความดีนีมันจะจบลงด้วยที่การทําความดีเพราะอะไรเพราะภาวะแห่งความเป็นใหญ่เภาวะภาวะใดภาวะหนึ่งที่เราจะจับยึดได้จับช่วยได้เป็นที่พึ่งได้ตรงนี้นี่คือสภาวะสภาวะหนึ่งซึ่งในที่นี้เนี่ยเขาเอาตัวเอง แต่ทำให้เกิดเป็นสภาวะตรงนี้ขึ้นเพื่อให้เป็นที่พึ่งในการที่จะทําความดีอันนี้คืออัตตาทิปไตยแต่ข้อที่สองที่เราพูดในที่นี้คือโลกาธิปไตยแต่โลกาธิปไตยก็คืออาศัยสิ่งอื่นสิ่งภายนอกสิ่งที่เป็นโลกซึ่งในที่นี้เนี่ยพระเจ้ายกตัวอย่างถึงความที่เอาสมณะหรือเทวดาที่เขาจะรู้วารจิตของคนอื่นแต่ถ้าเขามารู้วารจิตของเราเอาเราทาความคิดไม่ดีเราคิดเรื่องการพยาบาทเบีดเบียนเราคิดชั่วทําชั่ว เขาก็จะรู้ได้แม้ถ้าเขารู้ได้นี่โลกก็จะติเตียนได้ถ้าเขาเอาไปลงหนังสือพิมพ์ประกาศลง YouTube หรือว่าออกข่าวนีว่เราเสียหน้าแย่เลยแตนะ่โลกจะติเตียนเราได้แตนะ่กลัวต่อการติเตียนของโลกกลัวต่อการที่คนอื่นเขาจะมารู้มาเห็นแตนะ่โลกจะรับรู้ด้วยในความไม่ดีกดละความไม่ดีนั้นเสียนะแต่เราก็ทําความดีนั้นเสียอันนี้คือลักษณะของโล ก, กาธิปไตยแต่นะือเอาโลกเป็นใหญ่นั้นะแล้วทําความดี นะั่นคือภาวะทีต่ตัวเราเองเนี่ยเอาโลกคือเอาสิ่งภายนอกเป็นใหญ่แล้วทําความดนะีนี่คือข้อที่สองส่วนข้อที่3ในลนักษณะของธรรมะที่ปไตยแตนะ่ธรรมะที่ปไตยเนี่ยคือความที่เราอาศัยธรรมะเนี่ยเป็นหลักนะเอาธรรมะเป็นที่พึ่งในลนักษณะที่ว่าแม้ธรรมะนี่มันดีจริงๆธรรมะนี่พระเจ้าประกาศไว้อย่างดีแล้วนะคนที่ทําได้ก็มีเนะพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ที่ปฏิบัติได้ก็มีถ้าเราไม่ทํามันจะไม่ดีจะไม่เป็นการสมควรของเรา เราก็ทําความดีซะเอาธรรมนั้นมาส่งไว้ในใจซะนี่คือลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าธรรมปฏิปไตยคืออาศัยความที่มันดีนี่แหละจึงทําเพราะความดีนั้นดีเราจึงทําอาศัยอํานาจตรงนี้เพราะฉะนั้นความเป็นอธิปไตยเนี่ยจึงเป็นอํานาจอย่างหนึ่งเป็นอานาจในการที่เราจะใช้ปกครองปกครองอะไรปกครองตัวเราเองนี่แหละปกครองไปอย่างไหนปกครองให้มันดีปกครองอาศัยอะไรเป็นเหตุอาศัยตัวเอง นะว่าถ้าตัวเราเองปกครองตัวเองให้มันดีมันจะดีได้ตัวนี้คืออัตตาธิปไทยนะอาศัยลายอาศัยโลกนะอาศัยโลกคือกลัวว่าโลกจะมีการตีเตียนโลกจะมารู้มาเห็นในสิ่งที่ไม่ดีงั้นเราก็อาศัยตรงนี้ในการทําความดีเอาสิ่งที่เป็นโลกนั้นนะ่ะเป็นใหญ่นะให้เกิดอํานาจในการที่เราจะทําความดีขึ้นเไม่ไนดะ้อาศัยอํานาจของโลกตรงนี้ในการที่จะออกจากความช่วยทาความดีตัวนี้จึงเป็นอํานาจนะท่านฟัง การที่เราจะอาศัยอำนาจอะไรในการที่จะปกครองนะปกครองจิตใจของเราให้มันเกิดไปในาทางตามความดีเพราะฉะนนอำนาจอีกอันหนึ่งที่จะามาปกครองให้ใจเราทําความดีได้เนี่ยคืออำนาจของธรรมคือธรรมาธิปไตยดังนั้นความที่เป็นภาวะใดภาวะหนึ่งที่จะอาศัยได้เอามาทําความดีได้นะภาวะตรงเนี้ลักษณะตรงนี้ที่เอาเป็นใหญ่ได้เนี่ยก็เรียกว่าอธิปไตย เพราะนั้นเราเอาจะเอาศัพท์ตรงนี้มาประยุกต์ใช้กับคำที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเช่นประชาธิปไตยแต่คือเอาประชาชนเป็นหลักเอาประชาชนเป็นใหญ่ณนะจึงทำความดีนะจึงบริหารงานอย่างดีจึงนำประเทศชาติไปในทางที่มันดีไม่คดโกงไม่ช่อชนไม่ตะแบงแลนะไม่เอาสีข้างเข้าถูแต่ทำตรงๆเป็นคนตรงๆเป็นคนดีเป็นคนทาอย่างไม่โกงณนะใจซื่อมือสะอาด มีความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะทำสิ่งที่มันดีให้เกิดขึ้นนี่คือลักษณะของประชาธิปไตยคือเอาประชาชนเป็นหลักใหญ่ในการที่จะทำความดีเพป็นประชาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมามีในพศ .2- 4งสี้านะท่านผู้ฟังแต่ประชาธิปไตยเ่ยมีมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5เลยเนื่องจาว่าเอาประชาชนเป็นหลักใหญ่นีไม่ต้องการให้ประชาชนเนี่ยถูกฝรั่งกดหัวเอาประชาชนเป็นใหญ่ก็จึงทําความดีจึงบริหารงานประเทศชาติอย่างดี อันนี้ราชการที่อารำมาตั้งแต่สมัยพระองค์ปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์แล้วจริงๆถ้าเราสืบต่อไปอีกนึ่งประชาธิปไตยเนี่ยคือเอาประชาชนเป็นหลักใหญ่เป็นภาวะอันใหญ่ยิ่งแล้วทําความดีเนี่ยก็มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลด้วยซ้ําหรือก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำหนึ่ง ก, กษัตริย์ที่ปกครองในสมัยนั้นก็เอาประชาชนเป็นหลักเอาประชาชนเป็นใหญ่หนะึ่จึงบริหารให้คุ้มครองให้มีความสุขอยู่กันอย่างร่มเย็นแล้วก็มาตั้งแต่สมัยนู่นแล้ว แต่ถ้าพระราชาคนไหนไม่ได้ปกครองโดยเห็นประชาชนเป็นสําคัญก็จะอยู่ได้ไม่นานก็จะมีปัญหาอื่นๆมาทําให้ไม่ดีไปนะซึ่งตรงเนี้ยมันจะมาจบลงตรงจุดที่ว่าทําความดีทําความดีในที่นี้คืออะไรนะัะคือถ้าเป็นกรณีของสมณนะของพระสงฆ์นะก็พูดถึงความที่คุณจะต้องมีสัมมาสงังกัปปะคือความคิดในทางที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยการพยาบาทเปลี่ยเบียนใช่ไหมพูดถึงความที่เรามีสติไม่ลืมหลง มีกายสงบระงับไม่โกรนกระวายในะมีจิตตั้งมั่นเป็นโารมณเดียวนี่คือลักษณะความดีที่พระจะต้องทำนี่เรื่องของในใจล่ะเปลียนเผากิเลสในเรื่องของในใจส่วนถ้าเป็นของคารวะวิสัยแตนะ่ถ้าเราจะมาตีความกลับในลักษณะของความเป็นคารวะวิสัยเราก็จะต้องรักษาสีนะี้เป็นพื้นฐานท่านผู้ฟังเป็นพื้นฐานของความเป็นคนเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์คุณจะมาเดินสองขาพูดจากินข้าวอะไรต่างๆได้ ปกครองบริหารบ้านเมืองได้พื้นฐานที่สําคัญคุณต้องมีศีนลนะไม่ลักทรัพย์นะไม่ฆ่าสัตว์ไม่พูดโกหกนะเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานศีลห้าธรรมดาเ น, นี่ยแหละนะแล้วถ้าจะทําให้ยิ่งขึ้นไปนะคุณเอาเรื่องของสมาวาิจามาใส่เพิ่มเติมถ้าไม่ยิ่งขึ้นไปคุณก็รักษาศีล8ปดศีอะไรก็ว่าไปนี่คือทําให้ยิ่งขึ้นไปส่วนเรื่องความสามารถเราจะไม่ได้พูดถึงที่นี้ใครมีความสามารถตรงจุดไหนทํำก็ทําไป นะแต่เพราว่าคนแต่ละคนในความสามารถไม่เหมือนกันเพราะในทางของกระวาดเนี่ยศิลปะหรือความสามารถหรือความชํานาญในศิลปะต่างๆมันก็ต่างกันไปแตนะ่คนที่เป็นหมอก็ใช้ความสามารถของตัวเองในทางนั้นแต่แต่ก็ต้องมีศีลคนที่เป็นวิศวกรก็ใช้ความสามารถของตัวเองในทางนั้นคนที่มีความสามารถในการบริหารจัดการเราก็ใช้ความสามารถของตัวเองไปในทางนั้นแล้วก็มีศีลไปแตนะ่ตรงนั้นจะเป็นความดีความงามที่เกิดขึ้นมาได้ เพรไม่ว่าจะเป็นอธิปไตยแบบไหนมันดีทั้งนั้นแตนะใครจะมาปกครองก็ตามเพราะว่าจริงๆแล้วมันใช้คู้กันไปได้ตามฟังอย่างบางคนเองเนี่ย เ, เห็นว่าถ้าเราจะทําความไม่ดีมันจะไม่ดีนะ่เราควรจะทําความดีเอออันนี้เป็นธรรมปฏิปไตยเขาก็ทําความดีแต่นนในบางจังหวะบางครั้งถ้าตัวเราเองทําความชั่วมันไม่ดีมันไม่ดีต่อตัวเราถ้าทําความดีมันจะดีต่อตัวเราแตนะ่เราทําดีเป็นชื่อเสียงของตัวเรา อันนี้เอาตัวเองเป็นใหญ่แล้วจึงทําความดีอันนี้คืออัตตาทิปไตยทําไมจะไม่ดีอัตตาธิปไตยก็ดีแต่หรือบางทีในบางจังหวะตัวคนเดียวกันน um> ี่แหละเห็นว่าเออสิ่งนี้มันดีธรรมะดีการบริหารอย่างดีเป็นสิ่งดีเราควรทําความดีแต่สิ่งนี้ดีแล้วมันจะดีเราก็จึงทําความดีอันนี้ก็เป็นธรรมาธิปไตยแต่หรือว่าถ้าเราบริหารจัดการแล้วทําความดีแล้วมันจะดีต่อประชาชนโดยรวมอันนี้ก็จะเป็นประชาธิปไตย ทีนในส่วนของโลกาธิปไตยที่มีความแตกต่างกับประชาธิปไตยนิดหนึ่งก็ตรงที่ว่าประชาชนเนี่ยจะไม่ได้มารู้ว่ารจิตของคุณแต่แต่โลกาธิปไตยเนี่ยพูดถึงความที่มีผู้อื่นจะมารู้ว่ารจิตนะเช่นบางทีมีครูบาอาจารย์ที่จะมารู้ว่าคุณคิดชั่วหรือคุณคิดดีหรือยวบางทีเทวดาเขาก็รู้แต่เทวดาที่มีฤทธิ์มีความสามารถก็จะมารู้ได้ว่าคนนี้เป็นคนดีหรือคนไม่ดีเอ้เรากลัวต่อการติเตียนเรากลัวต่อสิ่งที่คนอื่นเขาจะรู้ได้ กลัวต่อการที่โลกจติตเตียนตรงนั้นนั่นก็ จ, จึงเป็นโลกาธิปไตนะซึ่งอาการที่มารู้ว่าลจิตนี่ก็ส่วนหนึ่งนะบางทีนักข่าวเา้าก็ไปสืบมาเหมือนกันแต่เขาไม่ได้มีความรู้พิเศษเรื่องของรู้ว่าลจิตแต่ก็จะไปสืบค้นตามหลักฐานตรงนั้นตรงนี้เอา้ารู้ได้ว่าคนนี้โกงคนนี้ทําไม่ดีนะรกลัวต่อการตีเตียนตรงนั้นก็เข้าข่ายความเป็นโลกาธิปไตยเหมือนกันเพราะนั้นโลกาธิปไตยหรือว่าประชาธิปไตยก็จะคล้ายๆกันนิดหนึ่งในตรงส่วนของปรารบสิ่งภายนอก ปราลบสิ่งภายนอกแล้วจึงทําความดีเพราะฉน้นอธิปไตยเนี <mee> ่ยตัวฝังไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งการเลือกตั้งแล้วถ้าเลือกแล้วมาทําไม่ดีมันก็ไม่ดีละเพราะฉะนั้นคำว่าอธิปไตยเนี่ยหมายถึงภาวะความที่บุคคลเอาเป็นใหญ่ยิ่งแล้วทําความดีอันนี้คือลักษณะของอธิปไตยอานาจตรงนี้แล้วทําความดีไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งแต่อาศัยอะไรเป็นหลักแล้วปรารบทําความดีอันนี้คือสําคัญเพราะฉะนั้นเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของประชาธิปไตย เป็นความหมายที่เราต้องเข้าใจให้ถูกต้องในทีน่นี้อีกคําหนึ่งคือลักษณะความเป็นภาวะาของคาว่าอธิปไตยเนี่ยคำว่าอธิปไตยเนี่ ย, ย, ยแสดงถึงภาวะของความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งลักษณะภาวะเนี่ยหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราจะจับได้เราจะยึดได้เราจะพึ่งได้เราจะจับจุ๋ยเอาได้พูดง่ายๆก็คือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเป็นสิ่งที่เราควรที่จะต่อสู้เพื่อสิ่งนี้ ยังบาคนบอกว่าตัวเองต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่เขาใช้ความหมายก็ไม่ถูกกลับไปต่อสู้เพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นภาวะใดภาวะหนึ่งที่กลับไม่ได้นําไปสู่การทําความดีไม่ได้กลับนําไปสู่การสร้างสู่ความดีเพราะนั่นจึงจะไม่ใช่หมายถึงอธิปไตยที่แท้จริงแต่แต่คําว่าอธิปไตยที่มีความหมายที่ว่าเป็นภาวะใดภาวะหนึ่งเนี่ยยังบ่งบอกถึงความที่เราควรจะต้องต่อสู้เพื่อให้ได้สิ่งนั้นมา ต่อสู้หรือว่าคงหรือว่าพยายามที่จะรักษาสิ่งนี้เอาไว้ให้อย่างดีนีลักษณะความเป็นภาวะที่มีอยู่ในคำว่าอธิปไตยตรงนี้พูดง่ายๆก็คือภาวะความที่แห่งบุคคลเนี่ยเอาเป็นใหญ่เอาเป็นหลักเอาเป็นสิ่งสําคัญแล้วจึงปรารบทําความดีเนั่นถ้าเราจะใช้คํานี้ก็ควรจะเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยว่าเป็นการปรารบทําความดีแต่ความดีในที่นี้นอกเหนือจากเรื่องของทางสมณวิสัยที่พูดถึงเรื่องขอ ง, ของการทําความดีความเพียรทางจิต เน่พูดถึงการวาดวิสัยที่พูดถึงเรื่องการรักษาศีนิ้นการเจริญเดินตามมรรคในรูปแบบต่างๆที่เราทําได้เนีก็ยังพูดถึงเรื่องของความที่จิตมีกําลังก็ได้โดยเฉพาะยิ่งความเป็นผู้ที่เป็นผู้นําและมีการบริหารจัดการการที่ต้องรับผิดชอบมากเนี่ยจิตยิ่งต้องมีกําลังกําลังจิตในที่นี้แล้วก็มาจากการที่จิตมีอารมณ์เดียวเพราะอาจจะไม่ได้เกิดจากการที่ฝึกสมาธิอย่างเป็นรูปแบบแต่ว่าการฝึกความอดทน การฝึกที่จะอดทนต่อภาษาที่ไม่น่าพอใจอันนี้เป็นการฝึกทําให้จิตมีกําลังได้หรือแม้แต่การที่รู้จักการประมาณในการบริโภคในกินอาหารพอประมาณรู้จักเป็นผู้ที่ทําให้มีท้องปล้องอยู่เสมออันนี้เป็นความดีที่ลึกซึ้งขึ้นไปที่จะทําให้เป็นไปเพื่อสมาธิได้หรือแม้แต่การสมรวมอินทรีย์มีการสมรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจเจอภาษาสิ่งใดชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็ไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรม คือความเปลินความลุ่มหลงหรือว่าความโกรธความคิดประทุสร้ายเนะี่ยเกิดขึ้นในใจแต่เป็นผู้ที่รักษาควบคุมมีการสำรวมอินทรีย์เป็นประจำหรือแม้แต่การที่เราอยู่ในน า, นาสนะอันฉ ง, นงัดบ้างโดยเฉพาะยิ่งคนที่ต้องมีการตัดสินใจในมีการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญสำคัญเนี่ยบางทีต้องใช้เวลาที่อยู่คนเดียวคิดใคร่กลวญให้ดีตรงนี้ก็เป็นลักษณะการหลีกเล่นหนะลีกเลนออกจากหมู่ไม่ต้องมีใครมาพูดอะไรมากนะอยู่สงบสงบเงียบ ก็สามารถที่จะพูดถึงการที่ อ, อยู่หลีกเล่นเป็นผู้ที่เสพเสนาสะนะอันสงัดก็ได้เพราะฉะนั้นความดีเนี่ยมันจะมีหลายระดับลึกซึ้งลงไปเราก็ค่อยๆทําไปแต่ปรารบเหตุอะไรแตนะบางทีวันนี้นเราปลารบเหตุแ ห, ห่งตัวเองอาศัยตัวเองอาศัยภาวะความที่เอาตนเป็นใหญ่ยิ่งและทําความดีนั่นก็คืออัตตาทิพยไตยแต่บางทีเรามาอ่านประวัติพระพุทธเจ้าแหมเกิดความศรัทธามีความมั่นใจขึ้นปรารบธรรมะที่พระพุทธเานั้นประกาศเอาไว้ดีแล้ว อาศัยภาวะความเที่อย่างธรรมะนี่เป็นใหญ่แล้วทาความดีวนะันนั้นก็เรียกว่าคุณมีธรรมาธิปไตยนะหรือบางทีเราไปพบเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความรู้ความสามารถพิเศษแตนะ่ถ้าเราจะมาคิดไม่ดีมันก็ไม่ดนะีท่านจะติเตียนได้บางทีเราเซ็นอะไรบางอย่างตรวจสอบทํางานตัดสินใจอะไรบางอย่างนะสื่อข่าวสารหนังสือพิมพ์อะไรต่างก็อาจจะรู้ได้แตนะ่กลัวต่อการตีเตียนตรงนั้นเอาตรงนั้นเป็นหลักใหญ่แล้วเราก็ทําความดี อันนี้ก็เป็นโลกาทิปไตยวันนั้นก็เป็นโลกาทิปไตยคือเอาโลกเนี่ยเป็นใหญ่แล้วทําความดีนะจุดประสงค์คือให้ทําความดีไม่ว่าคุณจะอาศัยอะไรต่อนให้คุณอาศัยอมตะยาธิปไตยนะอาศัยอามายทตกนะ็อาศัย อ, อ, ยอามทตนั่นแหละแล้วก็ทำความดีมันจะไม่ดีได้ไงเป็นสิ่งดีท่านผั ง, งเพราะนั้นเวลาที่เราทําความดีไม่ว่าคุณจะประรบเหตุอะไรนะให้ทําความดีให้มีความมั่นใจในคําสอนของพระเจ้านะเราทําความไม่ดีเนะี่ยมันไม่ดีเราเรียกว่าไม่ใช่อธิปไตย มีการเลือกตั้งแต่เข้ามาทำไม่ดีมีการโคดโกมเป็นต้นเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่ถ้าไม่มีการเลือกตั้งแล้วเห็นแก่ประชาชนแล้วทำความดีอันนี้คือประชาธิปไตยตเพราะเอาประชาชนเป็นหลักใหญ่ในการที่จะทำความดีความงามให้มันเกิดขึ้นนั่นเองข้าพเจ้าพระไพบูุ์อภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโฉกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธา น, นีมาพบปะพูดคุยกับน้ำผู้ฟังแต่น้ำผู้ฟังต้องการติดต่อกับทางรายการ ก็สามารถส่งเป็นจดหมายหรือปรเิศียบัตรมาได้แล้วงมาที่วัดป่าดอนไหายโศกเลขที่1หมู่8ตําบลดอนหโศกอํเอาเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือถ้าไกลสะดวกทางคอมพิวเตอร์เว็บไซต์แล้วก็ไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com p u r e d h a m m a. com ถ้าต้องการทราบเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมเรื่องเกี่ยวกับวัดป่าดอนไหโศกแล้วตั้งอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็ไปที่เว็บไซต์ของวัด .wp.dhs.org เย่อมาจากวัดป่า w p d h i s o d h s o r g สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ท่านผู้ฟังต้องทราบเลยในจากการฟังธรรมในวันนี้ก็คือว่าเราปกครองตัวเราเองด้วยระบบไหนเราปกครองตัวเราเองให้ทำความดีด้วยแบบไหนต่อให้คุณอยู่ในประเทศที่เขาปกครองกันด้วยระบอบ ป, ประชาธิปไตยใี่ปีหรือ5ปีมีการเลือกตั้งกันครั้งหนึ่ง มีการเลือกตั้งชนิดที่ว่าเป็นธรรมสมบูรณ์ถูกต้องไม่มีการโกงก็ตามถ้าบอกว่าเราไม่มีการปกครองจิตใจของเราให้มันดีแต่ชื่อว่าไม่มีการปกครองรก็จะระสัมระสายไปตามกำลังของมานไปตามเครื่องดึงเครื่องล่อกับตักที่มานมาวางาไว้ชีวิตของเราก็จะเป๋ไปเป๋มาอันนั้นชื่อว่าไปตามอำนาจของมานอันนั้นชื่อว่าชีวิตไม่มีการปกครองไม่มีอธิปไตยในชีวิตหรือแม้ถ้าเราอยู่ในประเทศที่มีการปกครองแบบระิดบประบัติการ แต่แต่ถ้าเรามีอธิปไตยอย่างใดอย่างหนึ่งในสอย่างนี้หรือแบบไหนๆก็ตามแล้วทําการปกครองชีวิตให้มีความดีความงามเกิดขึ้นอันนั้นเนี่ยชื่อว่าคุณมีอธิปไตยและมีอํานาจมีกําลังในการที่จะจัดการชีวิตของเราให้ตั้งอยู่ในความดีจชิบอด